จะต้องนั่งอยู่นี้มีความตั้งมั่นของพระพุทธเจา้าและที่ฐานจิตเอาไว้อย่างนั้นตแต่แสวงวัดถ้ำกาหนดจิตกาหนดใจภาวนาตั้งหน้าํำระจิตอยู่อย่างนั้นแต่คนทุกคนมันเหมือนกันไม่บ่าพระพุทธเจา้าหรือพวกเราธรรมดานั่งไปนานๆมันก็ปวดแสงปวดาขาเวืนาเกิดขึ้น แต่เมื่อเวทนาเกิดขึ้นใจจิตไม่ตั้งมั่นจริงจังมันกวันไหวจิตของท่านก็ทำนองเดียวกันพอหนังไปหนังมาเวทนาตา่าหนังไปหนังมาจิตไม่เป็นอาจเป็รรมในโสมหวังในเบื้องตนก็คิดบกไปถึงปราสาทสาว่างคิดถึงชิมพาราหุนต่างๆ ทางศาสนาท่านจึงสอนไว้ว่า<ม>ลูกสาวพญามารมาหลอกลวงท่านคือนางราคาตันหาอรารดีอยู่ในตำรับตำลาขั้นปล่าวเป็นปุกพลาจิตฐานเอาไว้ราคาราคะคือความกำหนับในจิตในใจตันหาก็คือความดาดอยากอารดีก็ยินดีในบาต มันมีในจิตในใจวกไปคิดไปนอกๆแต่ท่านก็ไม่ยอมเชื่อไม่ยอมยินดีบังคับจิตบังคับใจมากำหนดลมอยู่เรื่อยไปผลที่สุดเยทนากล้าขึ้นทุกวันทุกเวลาเพราะนั่งอยู่กับที่ในเปลียนอิริยาบถวามเจ็บปวด เหนื่อยเหนือยเหนื่มันก็เกิดขึ้นทางตำราภายน อ, อกแทนจริงสาวโอไ ว, ว่าพญามารพญาม า, าลาธิราชมาแย่งบัลบลังก์บัลลังก์ก็คือทีอ่นั่งที่เจ็บปวดนั่นเองอ่ะไม่ใช่มานที่อื่นขันธ์มานคือขันธ์มันจัดทางมันเจ็บมันปวดที่เหลือสมานตามจิตปรุงของจิตของใจตามห <c oughs> ยาบ ได้อันนั้นอยากเส้นอย่างนี้มันมีอยู่ในจิตในใจเด <c oughs> ี๋ยววิเลรศมานวิสังอะไรมาทั้งห้าตามตำหลับกันลาขันเสาไว้นี่แหละพยาบาล <c oughs> ทุกท่านที่ทําไปมันจะต้องเกิดต้องเห็นต้องเปลียนอย่างนั้น <c oughs> เมื่อจิตยังไม่วมรวมๆจะต้องเห็นต้องเปลียนทุกคนจะต้องต่อสู้มานมันไม่ใช่จะลบแต่แกพระพุทธเจ้าเท่านั้น พวกเราท่านที่มาสร้างคุณงามความดีสั้างจิตตั้างใจที่อยากจะนี้ไปจากโลกจะต้องประสบพบเห็นดดวยกันถ้าหากจิตใจไม่ตั้งมัน่นไม่เอาจิงเอาจังมันก็เกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นถ้าหากเราไม่ต่อสู้มันก็ส่งเสีย yeah. ชัไม่ได้ชจยชนะก็เป็นที่ขาท้องมารเรื่อยมาอย่างพวกเราเกิดเราตายอยู่อย่างนี้ มันเป็นขีดขาดท่องมาเชื่อเรื่องท่องจีเหลือตันหามาณทิพย์ท่องตัวในตังหน้าตั้งตาําระสารสังเกตจังนีท่านไม่อย่างนั้นท่านตั้งหน้าต่างตากําหนดรักษาจิตใจเราตั้งสัจจะที่ฐานเอาไว้อย่างไรเราจะไม่เดียวมือเขียนข้าวลบเราจะต้องรักษาสัจจะของเราไว้ตั้งหน้ากําหนดไปกําหนดไป ให้จิตใจไปเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์อันอื่นกำหนดบทบริกรรมหรือกำหนดลมหายใจอยู่อย่างนั้นจนจิตของท่านลงรวมได้คือท่านมีความตั้งมั่นจริงจังตำราทางศาสนาจนึงถือว่านางพระธรณีมาช่วยธรณีก็คือแผ่นดิน แผ่นดินหนักแน่ไม่หวั่นไหวใครจะเอาไฟมาเผาแผ่นดินก็ไม่เดือดร้อนใครจะเอาน้ำมารดแผ่นดินก็ไม่หรือยินดีอะไรนี่จิตใจของท่านหนักแน่นขนาดนั้นมันจะเป็นจะตายอย่างไรช่างมันเราจะดูมันจะพิจณามันอยู่นี้เมื่อจิตยังคล่องจิตวกคิึหรือไม่เกิอดอะไรอัศจรรย์ขึ้นเราจะไม่ยอมลุกหนีจากที่เร่ร่อนจัดจะเอาไว้ ยิ่งจังอย่างนั้นก็รักษาพระไทยของท่านเอาไว้อย่างนั้นไม่วันไว้ตามสัญญาอารมณ์เดชนาตัญหามันจะเกิดขึ้นเท่าไรต่อสู้มันเรื่อยไปจนจิตใจของท่านลงรวมได้พอจิตใจลงรวมได้ความสุขความสบายหรือเวทนาทุกร้อนต่างๆมันจะหายไป เพราะจิตใจนเนี่ยไปเกี่ย ว, ยวข้องกับท่านยาอารม์ภายนอกจิตใจของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรจิตใจของปู่พระพฤทธปฏิบัติก็เหมือนกันหมดเมื่อเวทานาเศ้ามันเกิดขึ้นมามันเจ็บมันปวดเหมือนกับว่าเนื้อนหนังมันจะพังไปกระดูกมันจะแตกออกหรือเหมือนนั่งบนกองไฟ นี่คือการต่อสู้เวทนาใหญ่มันเ้นอย่างนั้นเมื่อมันถึงขัน้นนั่นแล้วถ้าหักเราไม่ยอมเสียสละจริงจังมันสู่มันไม่ไหวแต่ผู้ที่จะสู้ได้จะต้องมีกำลังใจเราเคยเห็นเคยเป็นแบบนี้มันเกิดขึ้นมาปวดขึ้นมาเราก็เปลี่ยนอีเยบวดเสียเวทนามันก็หายไป พอเราเปลี่ยนเย้าปวดให้มันแล้วความอัจฉรย์การความดีวิเศษเป็นอย่างไรเคยเกิดเคยมีไหมถ้าเราจะทําอยู่ดอย่างเดิมมันก็จะเกินอยู่อย่างนั้นในนี้อะไรอัจฉรย์ในจิตในใจความเจ็บความปวดนี้มันไปถึงแค่ไหนเมื่อมันตายแล้วมันมีปวดไหมหรือมันมีเจ็บเพียงไปถึงตายเท่านั้นเราจะต้องพิจารณาหาทางต่อสู่มัน เวลาเราลูกหนีมานั่งที่ใหม่มันก็จะเอาอันเต่านี้มาต่อสู้กับเราเราก็จะแพ้มันอีกจะยอมมันอีกเราเมื่ อ, อไรจะต่อสู้มันมันตายเวลานั่งภาวนามันยันดีกว่าตายด้วยวิเลียปัญหาทับผสมโจมตีใจสอนใจของตัวอย่างนั้นทำใจของตัวอย่างนั้นเราพิจรารณากำหนด เรื่องเวทนามันเจ็บที่ไหนมันปวดที่ไหนอะไรมันเจ็บมันปวดแข่งขาก็คล้องเข่าแต่เราไม่นั่งมันไปอยู่ไหนเวทนาเรานั่งทําไมมันเกิดมันมีขึ้นอย่างนี้มันมีมาจากที่ไหนนี่คือการพิจารณามันจะเอาอะไรไม่ได้มันต้องต่อสู้ทุกวิถีทางเมื่อได้เวทนายังตรากดอยู่เราจะไม่ยอมเช่นอันขาด มันตายก่อนมันตายไปเยียให้ทบออกอากาศาออกนังสือทิม ด, ดูตั้งมั่นอย่างนั้นแล้วก็ต่อสู้เวทนานี้มันมีอุเวลาที่จะสงบได้พอมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับไปได้โดยอุบายทของจิตเมื่อจิตต่อสู้กันจียงจังไม่ยอมพ่อถอยมันจะเกิดขึ้นมาอย่างไรกำหนด ที่เจริญนามันอยู่อย่างนั้นจิตมันจะสงบลงได้รวมลงได้ในปรากฏเรื่องของเวทนาเหลื่องของตายจิตอยู่เฉพาะเรื่องของจิตในปรากฏเรื่องเวชนาสัญญาอะไรนี่คือรวมลงถึงที่เมอมันรวมลงถึงที่เวทนามันก็หายไปสัญญาคำมันหมายต่างๆนานามันก็ดับไป เมื่อมันดับไปมันหายไปอย่างนั้นมันอยู่อย่างไรผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นจะต้องเข้าใจ เ, าเวลาทานานจะเกิดขึ้นมาแบบไหนอีกมันก็จะต้องรู้ต้องถอดใจเหนื่อเวาลาจะนั่งต่อไปในภายหน้าทาจิตยังไม่ถอนจากความรวมรวมมามันไม่ เรลบเรื่องของเวทนาเรื่องของใจเลยจะนั่งดีกี่วันกี่คืนมันก็เหมือนนั่งก็เยวเดียวดิไม่มีเวลาคือเป็นอาสาลิกโกไม่มีการไม่มีเวลาจิต ท, ที่รวมอยู่นั้นในขาดในฝันถึงการถึงเวลาว่านั่งนานขนาดไหนเป็นอย่างไรไม่ได้เกี่ยวข้องจิตรวมทั้งที่เป็นอย่างนี้ ขาดไปตกไฟเวศนาเพราะความตั้งมัน่นความตั้งใจจริงจังถ้ามันตายกว่ามันตายไปเชียถ้าหาเหลืออยู่อะไรที่เหนือตายเหนือเวศนาเราจะทราบจะเข้าใจนี่คือเราตั้งใจมั่นอย่างนั้นเอาการจริงจังอย่างนั้นมันเกิดมันเห็นมันเจนขึ้นอัปใจจัน์แปลกประหลาดสิ่งเหนเคยขาดเจฝันว่ามัน จะเห็นจะเป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่งจิตรวมละความทุกละเวทนาขาดจิตรวมถึงที่เวทนาไม่มีในปรากฏทุกคนที่เคยต่อสู่เวทนาใหญ่จะต้องเห็นต้องเป็นในจิตในใจของตัวอย่างนั้นอีกอย่างพอพิจารณาไป พิจารณาไปเข้าใจยามแจ้งในตัวของสัวเวทานานี่เป็นขันอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ในจำรับจำลาพระพุทธเจ้ากรว่ารูปเวทานาสัญญาสังขารมิน ญ, ญาณอันนี้เป็นเรื่องของขันผมเมารู้ธาตุขั น, นคืออะไรจะเข้าใจจะเห็นแจ้งเวทานามันมีหน้าที่เป็นอย่างไรเข้าใจเวทาน า, น า, นาอนาตตาบังคับบัญชามันไม่ได้มันจะเกิด อย่างไรก็เป็นเรื่องของมันในจิตใจของเราที่ฝึกอบรมที่เข้ใจนั้นวันไว้ติดข้องยึดถือหรือไม่จะซาบอีกมันมีสองทางที่จะดับเวทนาที่จะถข้ใจเรื่องของเวทนาจิตเมื่อมันเห็นมันเป็นมันดีมันเด่นอย่างนั้นมันก็อัศจรรย์เข้าใจเรื่องความรุ่มหลงจืตไปยึดไปเกาะไปเกี่ยว กับเรื่องขาดเรื่องขันว่าอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นเรามันเข้าใจมันต่อยมันวางได้มันจึงเห็นจึงเป็นอย่างนั้นถ้ามันยังยึดมัน่นถือมั่นอยู่มันไม่เห็นไม่เป็นถึงจะพูดขนาดไหนอ่านขนาดไหนเรียนมาขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจไม่มีทางที่จะละจะถอนได้แต่การสาธุปฏิบัตินั้นถึงจะสมมติไม่ถูกแต่จิตมันถูก จิตมันเข้าใจจิตมันซอยได้วางได้ไม่ยึดไม่ถื อ, ไ ม, อไม่เกาะไม่เกี่ยวนี่มันเห็นมันเป็นมันเย็นมันสงบในผู้ประพฤปฏิบัติฉะนั้นท่าน จ, งจึงเชื่อจึงเลือ่อมใสจึงยินดีเต็มใจในการปฏิบัติแล้อะไรที่จะมาหลอกลวงเราอีกเราหึงหวงอะไรไม่มี ยิ่งกว่าหึงหวงชีวิตของตัวชีวิตของตัวนี่หึงหวงมากยึดมากถือมากแล้วเมื่อหึงหวงมันเกิดไปตามความหึงหวงของตัวหรือไม่ไม่อยากให้มันเกินมันก็เกิดไม่อยากให้มันเกิดมันก็เกิดขึ้นหน้าที่ของมันอย่างของขาดของขันแล้วเมื่อประพฤติปจิบัติรู้เห็นเด่นชัดแล้วอย่างของขาดของขันเป็นอย่างไรผมมารู้ถาดขันเป็นอย่างไร จิตท่องก็เกี่ยวกันหรือไม่ผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องทราบในใจของตัวนี่คือการสปฏิบัติภาวนาละกิเลสละอยู่ตรงนี้เข้าใจอยู่ตรงนี้เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปเห็นที่อื่นไม่ต้องไปเข้าใจที่อื่นไม่ต้องไปอ่านที่อื่นดูอยู่ที่กายที่จิตของตัวนี้เมื่อดูสกายที่จิตทั่วถึงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกิเลส มันดักเพราะจิตไม่หลงจิตไม่เกี่ยวข้องจิตไม่้งสแต่จะไปอ่านที่อื่นเรียนที่อื่นเรียนมาขนาดไหนเรียนมาเท่าไรก็หลงไปเท่านั้นผ่านจึงให้สำราญจิตโดยการภาวนาต่างาต่างๆที่นี่ที่เจรณาจริงจังทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้ ความเย็นความสบายความสงบสุขอย่าไปหาที่อื่นหาที่ตัวของตัวเห็นที่ตัวของตัวรู้ที่ตัวของตัวเมื่อเราถูกเราสงบแล้วใครเขาจะไม่เห็นไม่รู้พอช่างเขาเขาจะมียอมทนชอบสนเสริญเยินยอ ก, ก็เป็นหน้าที่ของเขาเขาจะทำหมีิยินทาขนาดไหนก็เป็นเรื่องของเขาเราเป็นอย่างไรทราบอยู่ในใจของตัวท่านจึงไม่เด้เกาะเกีเ่ยวหลงลืม ยื่นวุ่นกับเรื่องของโลกเพราะท่านดูท่านรู้อยู่ในจิตของท่านนี่คือผู้ประเทศปฏิบัติที่ตั้งมั่นในอาดในธรรมท่านมีความสุขความสงบความประเสริฐเหนือโลกเหนือคนธรรมดาแต่ไม่มีเป็นวัตถุเพราะคือจะยกให้คนดูว่าจิตของฉันมันจะอาจอย่างนี้มันผ่องใสยอย่างนี้มันพ้นทุกอย่างนี้ พอทาในใจวัตถุพอที่จะยกให้คนดูได้ผู้ยอยากเห็นอยากเป็นก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาพอเพื่อปฏิบัติภาวานะา ท, ทำจริงทำจริงจะเห็นจะเป็นจะเย็นจะสงกไม่ใช่ว่าธรรมะหมดการหมดเวลาไม่ใช่ว่าเราอาภัพอาวาสนาะถ้าเราทําเราเห็นเราจะเป็นจะรู้ อย่าไปท่องสายให้ตั้งใจปฏิปเสธปฏิบัติเหมวฝึกอบรมจิตใจของตนรู้เห็นเด่นชัดในอาดในธรรมแล้วมันถุกมันสบายมันดีมันดีเศษถ้าอากจะพูดถึงทำสมมุติของโลกมันเป็นอย่างนั้นถึงเราไม่สมมติเราก็เห็นก็บเจนในจิตในใจของเราอยู่อย่างนั้นใครจะมาว่าอะไร จิตใจมันจะเอนเอียงไปตามเรื่องลมปากของคนนั้นนั้นก็ทราบมันไม่เอียงๆไปมันไม่รั่วไหลไปมันละมันถอนมันหลุดมันพ้นอย่างไรก็ทราบไปจากอยู่ในจิตในใจของตนนี่แหละพระพุทธเจ้าหรือสาวกผู้ท่านพระพุทปฏิบัติท่านเห็นท่านเช่นอย่างนั้นท่านจึงนํา ธรรมะมาสอนพวกเราจิตห่องจิตวกจิตสงสัยว่าอันนั้นจะสุขอันนี้จะสบายจะคุบเรื่อยไปแต่ก็ไม่สมหวังไเงี่ยไม่สมหวังในเรื่องของโลกก็รีบกระชือปฏิบัติอาจทำที่พระพุทธเจ้าสอนมันจะสมหวังหรือไม่มันจะจิตแต่แต่ต่างกันอย่างไรกับเรื่องที่เราเคย ถูกเคยสบายทั้งโลกมันจะไปจักในใจิตในใจของผู้ปฏิบัติถ้าไม่เห็นในเย็นไม่สบายแต่สอบพบทำแล้วมันไม่มีอะไรในโลกอันนี้มันจะถูกจะสบายให้เพราะจิตมันไม่ถูกไม่สบายมันวุ่นวายก่อกวนตัวเองถ้าจิตสงบสบายแล้วถึงสิ่งอื่น จะทุกข์ยากลําบากตามสมมุติของโลกก่าตามแต่ท่านเนลําบากท่านเนทุกข์ท่านในื่จนเพราะจิตของท่านผลไปจากความจิตท่องยึดถือนี่คืออานิสงส์ของการตัวพิปฏิบตัตแต่นั้นพวกเราท่นนานจงตา่างนาต่างๆาจะทำบําเพ็ญให้เห็นให้รู้เพราะวิเลิดมันมีอยู่ในจิตในใจมากผลก่อทานองเดียวกันไม่ใช่ว่ามันอยู่ตามตามหลับตาาํารา อยู่ตาม <c oughs> ไล่ตามนาตามบ้านตามช่องมันอยู่ในจิตในใจของเราทุกข่วนหน้าพาเราไหมต่างหน้าต่างตาสําระมันก็ไม่มีโอกาสเวลาที่เหลือปัญหามันจะหลุดจะหลนไปเึีงต่างใจกำหนดเพีงต่างใจสําระจิตใจท้องตนเนี่ยเราต่างหน้าต่างตาภาวนาทำจริงทำจังแล้ว เรื่องต้นแต่เชียงจิตสงบเท่านั้นเราก็จะเชื่อมั่นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีวิเศษมีคุณค่าสาระจริงแต่เราไม่เห็นไม่เป็นถึงจะเรียนมามากขนาดไหนมันก็เกิดสงสัยอยู่อย่างนั้นเพราะเราไม่เห็นไม่เป็นในตัวของตัวเองฉะนั้นการสะทึปฏิบัติจุดเป็นเรื่องสาคัญที่พวกเราทุกท่าน จะต่างหน้าต่างตาในนีคนอื่นคือจะมารักษาให้เรื่องจิตเรื่องใจของตัวนอกจากตัวของตัวแ่า น, นั้นสติมันมีอยู่ปัญญามันมีอยู่อีบเอาขึ้นมาใช้ให้เป็นสาระประโยชน์แต่ไปทิ้งเอาไว้ไม่ น, นามาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ในตัวของเรามันมีทั้งดีทั้งชั่ววิเลี่ยนตัญหามันก็อยู่ในนี้ กองทุกกองโทษมันก็อยู่ในนี้มรรคผลมันก็มีอยู่ในนี้เราเลือกเช่นที่นี่ที่เจรินาจำจัดสิ่งที่ชั่วออกไปสิ่งที่ดีมีคุณค่ า, าตั้งหน้าตังา้งตาเก็บรักษาเอาไว้เหมือนกันกับเราทานอาหารแท น, นที่ว่าอาหารมาในถ้วยในจานสาเร็จอยู่มาแล้วเราคอยใจว่าเป็นอาหารที่ควรทาน เราไปเลือกว่าอะไรเป็นอะไรกันเนี่ยกระดูกมันก็มีอยู่ในนั้นสร้างมันก็มีอยู่ในนั้นเราทำมนให้อย่างไรก็ทานกันไปในเลือกเอาออกสิ่งที่มันเป็นทิพเป็นไทยมันไปติดคอเข่ามันก็ลำบากนี่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก่สอนอยู่ในกายในใจของเราส่วมันก็มีอยู่นี้ดีมันก็มีอยู่นี้ เพีงคชั่วกดตั้มจัดมันออกไปเิ่งคื่ดีนำมาสอนใจของตัวเห่อทุกคนที่นี่ิจารณารักษาจิตของตัวชั่วขับไล่ออกไปดีรีดแต่ทำบาเพ็ญเอาไว้จิตใจที่เคยวอกแวกวุ่นวายก็ค่อยจะสงบสบายให้นี่คือการสาธิตปฏิบัติกายใจของตัว ไรขั่วําเพ็ญดีเรื่อยๆไปจิตใจเนื่อเขา้าถึงความสงบแล้วเหมือนกันหมดจะเป็นฆร า, าวาสก่อตามเป็นนักบวชก่อตามมันสงบเหมือนกันมันสุกเหมือนกันมันสบายเหมือนกันอดีตที่ผ่านมาแล้วไมาา่ทราบว่าจีพันจีเหมือนจีกับปัจจุบันนี้มันก็เหมือนกันอานาคตยังไม่ามาถึงมันก็เหมือนกัน เห็นปัจจุบันไปจักเท่านัน้นอดีตอนาคตหมดไปจากใจไม่มีอะไรที่จะสงสัยนี่คือการประพฤปิปฏิบัติรู้เห็นเด่นชัดในจิตในใจมันเป็นอย่างนั้นแต่นั้นขอทุกท่านจงลงมือแต่ทบำบาเพ็ญอย่าไปถือว่าธรรมะมันล้าสมัยมันหมดการหมดเวลามรกผลไม่มีในสมัยปัจจุบันคนที่ มันปฏิทินปฏิบัติมันไม่เห็นไม่เป็นให้เพราะว่าไม่มีก็คือม่มีในใจของเขาผู้ที่ท่า น, น, นมีท่านจะได้อวดว่าฉันได้มากได้ผลเพราะท่า น, นม่นมีความอยากคนที่มีความอยากอวดนั้นอวดนี้ก็เหมือนกันกับยิบมันไม่มีอะไรใส่เพราะตบพอตีเท่ามันดังกับยิบมันเต็มยัดทรายเท่ายัด อะไรเท่านั้นเนี่ยีนั้นไม่เอยดังเพรเหตุไรเพราะมันเต็มมีจิตใจของท่านที่เต็มไปด้วยอาจด้วยธรรมภายในกว่าทำนองเดียวกันท่านไม่อยากเด่นอยากดังจะอยากไปทำไหมพยายังอยากอยู่มันก็คือยังไม่อิ่มเมืม่อมันอิ่มแล้วความอยากมันไม่มีนี่การจะคือปฏิบัติอาจทำมันเป็นอย่างนี้ฝูรู้ฝูเขีน พูดดีผููเด่นถ้าในไอ้อวดใครเพราะธรรมชาบในใจท่องทัพอยู่ไปหรือตายไปก็อนจมีการเสียใจเนื่องพวกเราธรรมาดาเพราะไม่ห่วงอะไรสิ่งที่ตัวต้องตามอยากได้ได้กต่ทาบําเพ็ญให้รู้ให้เห็นในจิต ใ, ในใจทุกอย่างแล้วอยู่ไปแสนซีก็อนจะมีอะไรที่จะดีกว่านี้ เกิดขึ้นตายไปขนาดนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายสันจิงสะดวกสบายไม่ห่วงไม่ห่วงเหมือนพวกเราทั้งหลายแต่นั้นจงตั้งหน้าตั้งตาแต่ทำบ่มเพนภาวน า, ำาํำระจิตมีเท่านี้ธรรมะของพระเจ้าจะนำพวกเราให้เย็นให้สงบให้สุขให้สบายได้ หากเราไม่นำม า, ำาสำราสางา์ไม่ฝึกมไม่ปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมะอยู่อย่างนั้นในเกิดสาระประโยชน์อะไรให้จงสั่งจิตตั่งใจนำธรรมะ ม, มาประดับกายวายายใจของตนเมื่อทุกคนได้ประดับรับฟังคำ ท, ที่อธิบายมาจงนำไปพิมพิจแนศกษ่านหน้า่งางช า, าปฏิบัติต่อจากนั้นก็จะมีคว า, ามสุขความเจริญ การอธิบายธรรมเห็นวาพอสงควรถึงเวลาจะยุติเรื่งแต่นี้